แม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่าง เ, าเราๆไหมคำถามของสมภารช่างถูกใจญาติโยมเสียนะไม่เหมือนจะ้ะเขางามกว่ามนุษย์อีกใสชดามีสร้อยสังวานเกลื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาช่างงามเหลือล้น ก็เหมือนลิเกนะสิพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจ้าจะว่าเหมือนลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกามากจ้ะพิ้วพันธ์พองไรงามไม่มีที่เตะดแม่ชีตอบเพราะจำได้ติดตาแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไม ถึงต้องให้แม่ทีย้ายมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงบอกกเทวดาบอกว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มเรียนกรรมฐานกับสมภารแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดาเทวดาบอกจะสอนฉันสวดมนต์ แม่ชีวัยแปดสิบเศษกราบเรียนตามที่เทวดาบอกในฝันแต่ที่วัดนี้ยังไม่มีสำนักทีมีกุฏิพระอยู่สามสี่หลังแล้วอาตามาจะให้อยู่ตรงไหนดีละ่ะกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวจ้ะ ง, งั้นไปอยู่บนศาลาก็แล้วกันบนนั้น มีห้องเก็บของว่างอยู่ห้องหนึ่งถ้าอยู่ได้ก็เชิญตามสบายแล้วนี่มากับใครละ่ะฉันมาคนเดียวจ้ะ ก, กะว่าจะมาขออนุญาตท่านก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้หลานช่วยขนข้าวขนของมาส่งต้องขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาฉัน พูดพลางก้มลงกราบสามครั้งงั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลยจะไปกวาดถูให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะแปดสิบก้าจ้ะโอ้โหร่วมเก้าสิบแล้วสินะ แต่ยังดูแข็งแรงดีอาตมายังนึกว่าสักเจ็ดสิบกว่ า, วาที่แท้จะเก้าสิบแล้วนั่นสิอีฉันก็คิดว่าแม่ชีคงอายุไม่เกินเจ็ดสิบนางโถพูดขึ้นแก่กว่าอาตมาตั้งหกสิบปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญ ก็ไปช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนศาลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตามาจะขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่จีวรท่านสมพานถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อไหรท่านเห็นแต่แรกและ ว, วาดจะทักก็ไม่กลา้าแม่ชีถามขึ้น ไม่ใช่ไฟไหม้หรอกจ้าแม่ชีท่านถูกฟ้าผ่าเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี้อยู่ๆฟ้าก็มืดพอผ่าท่านแล้วก็สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแต้มบอกแม่ชียังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกฟ้าผ่าแล้วยังหนังคุยกับยาโจรได้อีกหรือแม่ชีไม่อยากจะเชื่อหาก็แปลกใจ ที่เห็นจีวอนท่านไม่ไปครึ่งผืนนั่นซ์ถ้าไม่เห็นกับตาอีชันเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดนางเช่มช่วยเป็นพยานให้แม่ทีวัย89ยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอีชันเหลือเกินที่วดดาส่งมาถูกวัดแล้ว ท่านแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุจวนจะ9ก้าสิบแต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้งห0สิบปีท่านก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ขอให้ท่านจะเรินจะเริญเถอะบารมีท่านสูงกริงจริ ง, รงอาตอมาก็จเจริญอยู่แล้วล่ะโยม พระโยมพ่อตั้งชื่อให้วาดเจริญสมภา์หนุ่มเย้าด้วยนึกถูกชะตาแม่ชีจะค้างที่วัดนี้เลยหรือครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างจาะหกโมงเย็นหลานเขาจะเอาเรือมารับพรุ่งนี้ฉ่านจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วลุกออกไปดูศาลานางโถ นางแต้มและนางแช่มพากันกราบสมผารสามครั้งแล้วลุกตามออกไปเพื่อจะช่วยทำความสะอาดห้องเก็บของที่ว่างอยู่อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆพากันกลับไปยงาาังศาลาเพื่อปฏิบัติต่อจนถึงเวลาทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเสร็จก็จะพากันกลับบ้านเพราะที่วัดยังไม่มีกุตติที่พักให้คิดว่าในวันข้างหน้าหากมีเงินมีทอง ก็จะพากันมาช่วยสมพา์สร้างกุฏิกรรมฐานชันเช้าแล้วพระเจริญก็เดินสำรวจรอบวัดเพราะดูว่าจะสร้างสำนักชีขึ้นตรงบริเวณใดท่านเดินไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกำแพงแก้ว แล้วเลยเดินเข้าไปในโบสบนพื้นโบสทางด้านขวาของพระประธานท่านเห็นหลุมเล็กๆขนาดเท่างบน้ําตาลตะโหนดหลุมหนึ่งมีน้ำใสๆขังอยู่จะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึมมาถึงในนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำร่วมยี่สิบวาแล้วจะเป็นน้ำอะไรละ่ะท่านรู้สึกพิศวงอีกประการหนึ่ง พื้นโบดก็เป็นปูนซีเมนน้ำจะซึมและขังอยู่ได้อย่างไรพลันท่านก็นึกถึงเทวดาที่สถิตยอยู่บนต้นพิกุลแม่ฉีก้อนทองคงจะช่วยถามเทวดาได้ว่าน้ำที่ท่านเห็นนี้มาจากไหนแล้วท่านจะตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันไหมคิดดังนั้นจึงเดินไปที่ศาลาแม่ฉีก้อนทองกาลังเดินจงกรม อยู่อย่างขมักขม้นเห็นสมภารเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งเป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้าหลวงพ่อหลังจากทําพิธีขอกรรมฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วแม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อ ได้สนิทใจแม้อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพันน า, นาทำไมละ่ะหรือว่าที่นี่ไม่สงบที่นี่สงบจ้ะแต่ท่านเห็นจะลำบากเสแล้วเทวดามารบกวนเหลือเกินแม่ชีระบายความในใจออกมารบกวนยังไง พระหนุ่มสงสัยเขามาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนมาเวลาเท่าไรสมพานหนุ่มซักแม่ชีก้อนทองตอบว่าเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีที่ฉันรู้เพราะดูนาฬิกาสวดมนต์แบบไหนอิติปิโสหรือคาถาพาหุง ท่านถามอีกไม่ใช่ทั้งสองอย่างจา้ะเขาสอนให้ฉันสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่เขาก็สอนทุกคืนจนฉันจำได้หมดพอจำได้ฉันก็ไม่อยากสวดอีกแต่เขาก็มาชวนให้สวดทุกคืนแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหม อาตมาอยากรู้หรือว่าเขามาชวนสวดมนต์เท่านั้นเล่าจ้ะฉันกลัวหลวงพ่อจะหาว่าฉันบ้าก็เลยไม่กล้าเล่าให้ฟังได้แต่คอยดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนั้นฉันถึงจะบอกหลวงพ่อได้ก็มีหลายเรื่องที่เป็นจริงเพียงแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เขาบอกอะไรบ้างล่ะแม่ชีจดไว้หรือเปล่าฉันไม่ได้จดหรอกจ้าฉันไม่รู้หนังสือไม่ชีกราบเรียนอ๋ออาตมาก็ลืมไปคนรุ่นเก่าๆมักไม่ได้เรียนหนังสือไหนเขาบอกอะไรบ้างเพื่ออาตมาจะได้ไปช่วยจดไว้ให้ว่าจะเป็นจริงไหย เขาบอกหลายอย่างจ้ะเช่นบอกว่าศาลาที่ฉันอยู่เนี่ยต่อไปจะถูกรือ้อและสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านบาทส่วนตรงหลังโบสถ์ก็จะมีศาลาราคาสองล้านสร้างก่อนหลังนี้จะมีเศรษฐีมาช่วยสร้างเศรษฐีที่ไหน ฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างทีหลังทาหารจะมาช่วยสร้างแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ต้นพี่กุลทำไมถึงไม่ไปอยู่บนสวรรค์เทวดาต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้ะ บอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ไปทําผิดประเวณีกับนางฟ้าเพราะอินจึงลงโทษให้มาอยู่เมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขาอยู่ได้91ปีแล้วครบร้อยปีวันที่27มีนาคมเวลาเก้าโมง45้านาทีเขาจะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอก ทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้นไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลยแม่ชีช่วยถามหน่อยสิอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเขาน่าจะมาขออนุญาตอาตมาก่อนเขาไม่กล้าจ้ะเขาอายที่ถูกพระอินทลงโทษเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นเทวดา แต่มีคุณธรรมน้อยกว่าหลวงพอ่อเลยไม่กล้าปรากฏให้เห็นแต่เขาก็รู้นะเวลาที่หลวงพ่อไปไหนมาไหนเขาจะบอกฉันปรากฏว่าหลวงพ่อไปจริงๆอย่างเมื่อวันก่อนเขาบอกฉันตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปากบ้างวันรุ่งขึ้น ฉันไปที่กุฏิลวงพ่อเน่นเฉลียวก็บอกฉันว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่แล้วคืนนี้เขาจะมาอีกไหมบาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันถึงบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลํลำบากเรียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรำคาญ เอาเถอะอย่าเพิ่งรําคาญเขาอาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อาจจมาจะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหมได้กะหลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้ําที่ขังอยู่ในโบสถนัะมาจากไหนน้ําอะไรมันขังอยู่ในโบดหรือจ้ะเอาเถอะ อาตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหมงั้นคืนนี้ฉันจะถามให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานให้หลวงพ่อทราบจ้ะแม่ชีรับปากรับคำหนักแน่น ตกกลางคืนพระเจริญตัดสินใจว่าจะไปแอบฟังที่ใต้ทุนศาลาอยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรงใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใต้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสวะลงมารดศีรษะท่านเพราะบนศาลาไม่มีห้องส้วม เสียงดังกุกกักอยู่ข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ทีลุกขึ้นมาจุดเทียนนั่นเองจากนั้นก็มีเสียงสวดมนต์เสียงหนึ่งเป็นแม่ทีอีกเสียงดังกังวาลไพระคงเป็นเทวดานั่นเองบทสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก็มีบางส่วน เหมือนกับเมตตาพรหมวิหารภาวนาท่านคิดว่าจะต้องไปหาบทสวดนี้ให้ได้ว่าอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนแล้วนำมาตรวจสอบกับแม่ทีว่าจะตรงกันหรือไม่พระหนุ่มนั่งฟังอยู่ใต้ทุนศาลาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ทีสวดมนต์เสร็จ ปบันนี้ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองมิได้พูดปดสิงสดมลหายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่าเทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายังไม่ทันที่แม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรสิงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่า น้ำที่ขังอยู่ในโบทนั้นเป็นน้ำทิพมีบ่ออยู่ที่วัดไทงั้งเมืองสุโธเถาประเทศจีนท่านจะได้ไปเห็นบ่อน้ำทิพในปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าให้ท่านลองดื่มน้ำทิพในโบทดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จดจำไว้พอไปเมืองจีนก็ให้ลองไปดื่มที่นั่นอีกทีว่าจะได้รสชาติอย่างเดียวกันหรือไม่ ส่วนเรื่องนารีผลนั้นท่านจะได้ไปเห็นที่ประเทศศรีลังกาปี2515ขอบใจจ้ะแล้วท่านจะไปกราบเรียนท่านดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านกา็ทราบเพราะท่านได้ยินพระเจริญใจไม่ดีกรววเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังสิ่งแม่ชีถามขึ้นว่า ท่านหูทิพชัยไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเลือกเกินวันนี้ท่านมาคุยกับฉันฉันก็เล่าให้ท่านฟังเึื่องที่จะมีเศรษฐีและทหารมาสร้างศาลาให้สองหลังตามที่เทวดาบอกฉันไว้ถึงเราไม่บอกท่านก็รู้พระคุณเจ้าท่าน สามารถรู้ได้ทุกอย่างหากท่านอยากจะรู้แม่ชีคอยดูไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่เราพูดไหมที่เรากำลังพูดกับแม่ชียอยู่นี่ท่านก็รู้ท่านรู้ได้อย่างไรพระเจริญกลั้นใจฟังกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านแอบฟังอยู่เอรอยเทวดาคงกลัวว่าท่านจะเสียหน้าจึงตอบว่า ท่านรู้ก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อรุ่งนี้ลองถามท่านดูก็ได้จ้ากลุ่งนี้ฉันจะเรียนถามทันแต่คืนนี้ขอถามเทวดาหน่อยเถอะว่าทำไมต้องมาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนฉันเบื่อแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อสิเราจะบอกให้นะเทวดานะ่ มีสองประเภทคือเทวดาตรงกับเทวดาผานเทวดาตรงก็คือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฐิเขาจะสวดมนต์กันทุกคืนเวลา24นาฬิกากับหนึ่งนาทีแต่เทวดาผานไม่สวดมนต์ที่เทวดาต้องสวดมนต์ในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ คือการเฝ้าพระพุทธเจ้าใครสวดมนตทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษาถ้าบ้านไหนไม่สวดมนต์เทวดาผานจะไปอยู่ด้วยคนบ้านนั้นก็จะเป็นอันธพาลสร้างแต่ความชั่วไว้ในสังคมแม่ชีไปสอนลูกสอนหลานให้สวดมนต์นะแล้วเทวดาตรง จะมาสวดด้วยแต่เขาจะไม่มาปรากฏให้เห็นเพราะเทวดาไม่ชอบคุยกับมนุษย์แล้วทำไมมาคุยกับฉันฉันก็ไม่ชอบคุยกับเทวดาเหมือนกันหลวงพ่อท่านสอนให้ฉันเดินจงกรมนั่งภาวนาฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์ แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเถอะอีกไม่ถึงสิบปีเราก็จะไปแล้วที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะพูดคุยกันได้อย่างน้อยก็ให้ช่วยเป็นผู้สื่อสารระหว่างเราและพระคุณเจ้าอ้อพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่า ตอนบ่ายจะมีคนเอาสายสร้อยทองหนักสี่บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วยเรื่องอะไรจะรับพระจะเอาสายสร้อยทองไปทำอะไรเทวดานิยุ่งจริงจะมาทำให้เราต้องอาบัดแล้วไม่ละ่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รับไม่ได้ เพราะอีกสามวันจะมีสองพี่น้องมาขอท่านจะต้องให้เขาไปอย่าลืมสิหลวงพ่อเดิมสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมันจะมีประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าเทวดาพูดเหมือนรู้ความคิดของท่านแม่ชีวัยแปดสิบก้าออกง ง, ง ที่เทวดาพูดเองเออเองเสร็จตกลงฉันจะกราบเรียนหันตามนี้เชิญเทวดากลับไปยังวิมาท น, น, น, นที่ตนพิกุลเถอะฉันง่วงนอนจังขอหลับสักชั่วโมงแล้วจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไหลเลยนะแม่ทีพูดกับเทวดาพระเจริญแอบคิดในใจว่า แม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาซิด้วยเราเห็นจะต้องกลับก่อนที่จะถูกไล่คิดดังนั้นจึงเดินกลับกุฏิไม่สงสัยอีกต่อไปว่าเทวดามาคุยกับแม่ชีจริงๆเห็นจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกวาระหนึ่งที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อย าแม่ชีทองก้อนได้มาเล่าให้พระเจริญฟังถึงเรื่องที่เทวดาสั่งมาพระหนุ่มรับฟังด้วยอาการสงบไม่สักถามแต่ประการใดเพราะท่านได้ยินมาด้วยตัวท่านเองแม่ชีกลับไปที่ศาลาแล้วท่านจึงเดินไปที่โบสถถือช้อนไปคันหนึ่งครั้นถึงจึงใช้ช้อนตักน้ําที่ขังอยู่ในหลุมเล็กๆนั้นมาดื่มได้สัมผัสกับกลิ่นหอมและรสหวาน อย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนเราจะจำไว้รถอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปี2525 25, เราจะได้ไปพบที่เมืองจีนหากไม่จริงแล้วก็จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นดาวดึงโน่นเชียวท่านนึกในใจตอนบ่าย ขณะที่สมภารวัดป่ามัม่วงกำลังคุยกับมกคนายกและกรรมการวัดเรื่องงานกะถินปีนี้ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเศษก็เดินเข้ามาในกุฏิกราบท่านแล้วฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นว่าท่านสมภารแม่ฉันให้เอาสายสร้อยเส้นนี้มาถวายนางพูดพร้อมกับส่งห่อผ้าสีตุนต่นๆที่ใส่มาในผานเงินซึ่งเก่าจนดา สิ่งที่ผ้าห่อหุ้มอยู่เป็นสายสร้อยคอทองคำหนักสี่บาทอาตมาไม่รับหอกโยมพระใส่สายสร้อยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเถอะท่านปฏิเสธรับเถอจะ้ะแม่ฉันกําชับมาว่าต้องเอามาถวายสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามถวายวัดอื่นท่านช่วยรับไว้ด้วยเถอะนึกว่าเมตตาแม่ฉันด้วย นางอ้อนวอนแล้วทำไมแม่โยมไม่เอามาถวายเองละ่ะอาตมาจะได้ถามว่าทำไมถึงต้องเจาะจงมาถวายอาตมาแกมาไม่ได้หรอกครับท่านเพราะแกตายไปสิบปีแล้วบุรุษที่มาด้วยเป็นคนตอบอ้าวตายแล้วยังมาสั่งลูกได้อีกหรือ หรือว่าแกสั่งไว้ตอนก่อนตายคือแกมาเข้าฝันฉันจะ้ะแกบอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นสมบัติเก่าแก่ของแกถ้าฉันเก็บไว้ก็มีแต่จะจนลงจนลงแต่ถ้าฉันถวายสมภารวัดป่ามะม่วงฉันจะร่ำรวยแล้วแม่ก็จะได้ขึ้นจากนรกด้วยแม่ว่าแม่อยู่ในนรกจะ้ะพูดแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้ นึกสมเพศเวทนาตัวเองนักยากจนแล้วมินำซ้ำมารดายังตายไปตกนรกเสอีกจะยากอะไรล่ะโยมอยากรวยก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายสิจะเอามาให้อาตมาทำไมพระเจริญแนะนำไม่ได้หรอกจก้กฉันไม่ใช่คนที่จะขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวย ก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรกสตรีวรัยห้าสิบเศษพูดทั้งน้ำตาท่านช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับนึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผมบุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนวอนทั้งที่เสียดายสร้อยเอาเถอะอาตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาได้ทุกเมื่อ ตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วยท่านบอกมักคนายกและกรรมการวัด